ไอ้นควจะได้อะไรดีๆมาบอกเราอยู่ขอเชิญพูดในเพื่อนฟังว่าได้อะไรบางงานนี่นความจริงน ะ, ะสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยอยอีเช้นเพิ่งจะเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่รู้จักมาก่อนที่มานี่ก็น้องติ๊กซึ่งเคยทำบุญด้วยกันมาชักชวนมา แล้วก็มาแล้วก็รู้สึกประทับใจใน จ, จริกจิตยาของพร ะ, ะแล้วก็อาจารย์ญญสันติก็น่ารักก็เคยรู้จักจกันมาก่อนอแล้วก็กับแม่ไข่กับแม่นากับบ้านศรีทองพิสบรรก็น่ารักมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยที่เป็นญาติก็อยากจะอยู่ต่ อ, อ ที่แรกตั้งใจสามวันทีนี้ก็คิดว่ามาทั้งทีควรจะเอาดีให้ได้พี่ไข่แม่ไข่บอกว่ า, วามาเรียนต้องตั้งใจนะไหนๆตัวตั้งใจมาแล้วเอาให้ได้ซึ่งอ น, นีนก็จริงจริงขอบคุณมากที่ให้สติแล้วก็มีอุปสรรคนิดหนึ่งที่ทำให้อา เห็นตัวเองขึ้นมาคือก็มีเรื่องขัดใจนิดหน่อยแต่ไม่ใช่กับพวกพี่นัคข่าเป็นเรื่องที่ว่าเจอคนที่มีปัญหากันฉันก็คิดว่าล้วก็อยากจะให้โอกาสเขาได้ศึกษาตัวเองจะหลบหนีกับบ้านสะกันก็เวลาหลวพ่อหลวพ่อบอกว่าอย่างนั้นไม่ถูกควรจะสู้ ฉันก็เห็นใจเพราะว่าเขาก็อยากได้บุญนะถึงมาปฏิบัติเราก็อยากได้บุญเรามาปฏิบัติไม่เป็นไรเราแบ่งกันได้เพีงแต่ว่าจะ่าอยู่ใกล้กันก็แล้วกันห่างๆกันนิดนึงก็ไม่มีอ่าปฏิฆากระทบตาก็แต่ก็กตัดใจได้ไม่ไม่มีอะไรนะก็ก็มองเป็นธรรมดาคือการทําทุกอย่างนะี่ยมันก็เป็นปกติ มันอยู่ที่ว่าเราจะปรุงไปเท่านั้นเองอการมานั่งวิธีนี้เทคนิคนี้ฉันก็สนใจมากเพราะว่าให้ความสงบแก้ความฟุ้งซ่านได้อย่างดีเลยแก้ความฟุ้งซ่านได้อย่างดีมากเพราะบางครั้งฉันมีประสบการณ์ในการปฏิบัติสายพุทโธนะทำมาสามสิบปีแล้ว ก็ออกจากคุณสายนี้เพิ่งเจ็ดวันก็เลยแบบว่าต้องลองเอกนานนิดหน่อยนะคะขอบคุณค่ ะ, ะในช่วงแต่ละวันนะคะเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนก็ทีแรกก็รู้สึกแต่คนที่ให้กำลังใจมากที่สุดคือแม่สีแล้วส่วนทัท่าทนไม่ได้แม่สี่ก็ลงมือจัดการมาเก้าแถวฉันจะให้เธอทำอย่างนี้ แล้วก็นำภาพปฏิบัติซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะแม่ไพสีกรยาณมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอ่าฉันก็ทำในทุกวันเนี่ยอ่าก็ยังแอบเป็นนั่งหลับตาเกี่ยวทุกวันแล้วก็ทำแบบมือเนี่ยก็ก็สงบเห็นจิตสามารถเป็นเอกขะตาาก็วาดมือทำปกติ ก็ถ้กิมีสัญญาณขึ้นมาอย่างที่บอกนะว่าเห็นห่วงน้ําซึ่งมีจอกแหนซึ่งในความรู้สึกก็บอกเราได้เลยว่าห่วงน้ําก็คือใจที่บริสุทธิ์อสิ่งจอกแหนคือสิ่งทั้งหลายสวะที่มาอยู่ในใจเราที่เรามาคิดมาปรุงจะเอาจอกแหนได้จะต้องมีสติ และปัญญาปัญญาและสติหาทางแก่คือสติกระสัมปชัญญะหลวงพ่อบอกถ้าสติคือความรู้ตัววาดแขนก็ได้ไม่วาดแขนก็ได้ซึ่งฉันชอบมากฉันชอบมากตรงนี้เพราะว่าสติคือความรู้ตัวเมื่อเรารักษาความรู้ตัวของเราได้สิ่งนั้นก็คือสติ ดิฉัน ม, มีความบกพร่องหลายอย่างในเรื่องเอเรียบทสีซึ่งแม่สีบอกว่าทาสติไปก่อนเดี๋ยวก็ค่อยๆไปเองให้กำลังใจเดียว่าขอบคุณค่ะพอแล้วอย่างความต่างจะไม่ผิดแปลกต่างกันๆๆสำหรับดิฉันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยดิฉันจะรู้ตัวอยู่ตลอดอทั้งที่ลืมตาก็รู้ เวลานั่งสมาธิก็รู้ไม่ไม่เคยหลับในสมาธิทุกครั้งที่ทำก็จ ะ, จะเจริญสติอยู่ข้างในจะหาจะเจริญมรณสติหรือการทำที่ผุดขึ้นมาเป็นครั้งครั้งสังเกตได้เดีวไม่ไม่เห็นยงมง่วงเลยน ะ, ะไม่มง่วงั้าง่วงโยมจะไปนอน แล้วปกติไม่สำหรับโยมนะคะอาการนั่งสมาธินี่คือการพักไ ม, ไม่ไม่หลายครั้ง ไ, ไม่หลายครั้งคือไปนอนตอนฉันข้าวแล้วซึ่งมีประสบการณ์ก็เลยเลื่อนขึ้นมานั่งกรรมฐานคือปกติการนั่งเนี่ยถ้าเขายอมให้หลับตาเนี่ยมันจะเป็นการเดิน ล, ลจะเดินลมปรนาณ น, นะคะ ทั้งตัวซึ่งคล้ายกับการพักอย่างเต็มที่เหมือนกันพอออกมาก็จะสดชื่นแต่วาดมือนี่ถ้าไม่หลับตาก็าสดชื่นก็สดชื่นแต่ว่าต้องทางมันเมื่อยแต่แ ต, แ ต, แต่แต่ที่อยากจ ะ, อะขอบคุณนะคะคือวิธีของอาจารย์ที่ฉันเห็นเป็นโพสตีฟเลยนะคะว่าจากทั้งโยคะจากการแขเดินแข็ง โยแขนการเดินชงคมช่วยดิฉันได้มากทีเดียวเพราะวันแรกดิฉันนั่งออกแก่พดลุกพดนั่งเพราะว่าขาเจ็บแต่มาทําได้สักสามวันนะคะไมเ่ะะนนมเจ็บแล้วค่ะตอนนี้ไม่เจ็บแล้วแขนกับข อ, อก็ดีขึ้นเยอะตั้แต่เมื่อก่อนดิฉันยังนี้ไม่ได้เลยแล้วนั่งตอนนั้นเอาข้อข้อประทานช่วยเลยว่าเดินนัง่งพดลุกพดนั่งแนละ้เกลียงแล้เกลียง เดี๋ยวนี้นั่งนั่งได้ค่ะไม่ไม่ปวดแล้วขอขอบขอบพระคุณความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นพึ่ธรรมดาฉันจะเป็นคนมองอะไรชุยๆยแต่ถ้ามันมีอะไรมากระทบก็จะมองและมองถึงแก่นของมันว่าแล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะจัดการมันอย่างไร ทำมาคิดว่าจะลองไปสอนสามีคิดว่าทางนี้เขาให้เขานั่งรับตาเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันนะแต่ตอนเวลานอนทีนี้ถ้าหากสายกางของท่านเนี่ยอาจจะช่วยให้เขาออกกำลังแขนแล้วอ่าจริตการปฏิบัติเนี่ยมันมีทั้งหลายวิธีเผื่อบุญเขาวาสนาเขามีเขาอาจจะทำได้ ถ, ถูกท่าก็ได้ก็ไม่ไม่โกนนะเพราะพวกากด ไม่ได้ถ้าอยากโกรธเขากโกรธได้ทุกวันวันละทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะเขาคือตัวสร้างบารมีของดิฉันที่ว่าทํายังไงถึงจะไม่โกรธจะต้องมองให้ลึกลงไปว่าที่เขาพูดนี่หมายความอย่างที่ท่านพูดนะคือค่อนข้างจะปากเขาออกไปอารมณ์เขาอย่าไปรับเหมือนแม่เหมันแม่น่ากว่าเขาพูดอะไรเราอย่าไปรับฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็เดินหนี ทำได้ก็ทําทําไม่ได้ ก, ก็หลบได้สักคู่ก็กลับมาดูคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะว่าเรามาเรามาเกือ้อหนุนกันเข้าช่วยเหลือตัวเองได้พอเหมาะพอสมชื่นชมในการที่มีคนรับใช้พิเศษคือฉันพยายามจะเรียกให้ทำโน่นทํานี่แต่ฉันนมันไม่เหลือบา ก, กว่าแรงคนบ้านคนอยู่บ้านเดียวกันมันมันมันหายแต่ตรงวันนั้นล่ะ่ะมันหายไปเลยเพราะว่าพอออกไปนั่งข้างนอก แล้วก็นั่งปฏิบัติหน้ากุฏิจล้งก็คิดถึงคิดถึงเขาสงสารไม่ใช่ไม่สงสารเอ็นดูอยู่แต่ว่าไม่อยากจะต่อพกจบก็ควรจะจบเสียเอ็นดูคืออยากให้เขาได้บุญอยากให้เขาได้บุญเพราะฉะนั้นอะอาจารย์สันติบอกโ ย, ยมว่าจเจริญขันติใช้ได้เพราะโยมไม่แสดงออกเลยว่าไม่มีไม่มีสีหน้าไม่มีแรงนั้นเพราะว่า เขากับเราก็คนเหมือนกันมีจิตเหมือนกันอายุน้อยกว่าหน่อยก็เราก็อายุน้อยเามื่าสี่นะเราช่วยกันรักกันดีกว่ารักกันดีกว่ารักกันดีกว่าช่างกันเพราะว่ า, อ, าอิชินใช้คำว่าโยนิโสมนัสกาโยนิโสมนสิกาคือเราคิดเราต้องการอย่างไหนคนอื่นเขาก็ต้องการอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้แล้ว ทำอะไรใครไม่ลงนะคือแบบว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนใจอยู่แล้วสนใจอยู่แล้วแล้วท่านมาพอแล้วการเทศของหลวงพ่อเทียนก็เข้าจุดเข้าจุดอ่าขอพระคุณอาจารย์นะคะเพราะว่า<ม>บางครั้งดิฉันก็ถามปัญหาอะไรหลายๆอย่างซึ่งดิฉันอยู่ที่นี่ไม่มีการยานมิตร ไม่เคยเรียนปริญญาทุกอย่างเกิดจากะหนังสื อ, อเรียนครั้งแรกเมื่อนจินเอติูกับหลวงพ่อสุวัสด์สุวัส อ, อยู่กับท่านสองปี ก, ก็ก็ได้ดวงกรรมฐานคือแบบว่าสามารถจะช่วยตัวเองได้รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์และพยายามหาทางดับทุกข์แล้วก็จเจริญมรรคแตด หลังจากนั้นก็เจออาจารย์ยันตราขออนุญาตเล่านะคะเจ อ, อเจออาจารย์ยันตราซึ่งมาอยู่ที่ l อลอโดยหลวงเตี่ยพระเทพอสควงเชิญมาการเจอนี่ก็คนมาอยู่มึงน้อกที่ค่อนข้างจะงู้มาอยู่นานๆเพราะไม่รู้่าองไหนไม่อองไหนไม่รู้แต่รู้ว่าก็ไปเวอทุกวันเพราะว่า บางวันโยมไม่มีอายพระปรามากก่โยมเพราะฉะนั้นข้างบนเรานั่งกรรมาฐานสวดมนต์ข้างล่างก็ซ้อมดนตรีฝึกดีมากแล้วก็ฟังเสียงดนตรีไปฟังด้วยความไม่ปรุงเพราะถ้าปรุงจะนั่งไม่ได้ก็ฟังไป <c oughs> ก็นั่งไปเราเข้ามาตั้งศพพญาณก็บอกว่าเขามาทำบุญเรื่องศพนะ่ะเอาทำบุญให้เขาคิดว่าเราเป็นเขาวันหนึ่งเราก็ต้องตาย เหมือนเขานะั่นแหละแล้วก็ดูเถอะชีวิตคนเราไม่สั้นลักษณะของพ่อเทียนอีกฉันยังจับได้ไม่ขนัดเพราะว่าช่วงเวลาสั้นไปแล้วก็ใหม่มากต้องขอเวลาดูอีกสักพักหนึ่งไม่เข้าใจจังหวะมากมายนะักจงกระทั่งวันนี้ที่ท่านท่านท่านแนะให้และแม่สีแนะให้การเดินถึงกมอีกนิดหน่อย ก็เริ่มจากเขา้าเริ่มจากเขาเขาก็คิดว่าจะลองไปทำดูอาคราวหน้างวดหน้านั่นสอบไป ท, ทีท่านะจะทาไม่ทิ้งไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งเพราะว่าจะพยายามปฏิบัติเป็นลูกโซ่จริงแต่ว่าอคือปฏิบัติแบบที่ท่านบอกว่าสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้ทำแน่ๆทำทุกวันเพราะว่า คอยแต่จะสวดมนต์ฉันมีมีจิตใต้สำนึกที่จะสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในฝันตื่นขึ้นมาฝันอยู่ตื่นตื่นขึ้นมายังสวดมนต์ท่านชินาบรรนัญชรยังไม่จบสวดตอกกไม่จบเลยจเคยลกคือจิตมันจะเป็นอย่างนั้นความรู้ตัวรู้ตัวอยู่รู้ตัวอยู่มากเพราะว่าตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่ทำความชื่ว ชาตินี้จะไม่พยายามไม่ทาความชั่วเพราะฉะนั้นก็จะต้องสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลามดม ด, มดหนูแมวอะไรก็ไม่ทำเป็นประสบการณ์ของยม <c oughs> อดนะซึ่งก็เปลี่ยนใจทั้นวันนั้น็มามามาแรงแต่ตั้งจากวันนั้นมาถึงวันนี้ลืมทุกอย่าวันนั้นเลยนะแสดงว่าเป็นเป็นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาที่ตั้งตัวไม่ทัน เกิบมันจะพัดไปจริงๆนะถ้าไม่ต้านไว้นี่พัดไปถึงบ้านหลายรอบแล้วนนี้เรียกว่ามีบุญได้ต่ออยู่แต่คิดว่าเอาไปทาที่บ้านไม่ต้องรอรอบหน้านะเอาไปทาที่บ้านเลยเอาที่บ้านเป็นสถานที่ฤทธิที่ธิตัวมาเที่วหน้าก็จะได้เข้าใจลูกน้ำได้ลึกกกว่านี้นะ